พระธรรมเทศนาแผ่นที่54ลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่16ตุลาคม2555มีชื่อเรื่องว่าไม่ทำบุญแต่อยากได้บุญ สมัยหลวงพ่อมาอยู่ใหม่ปีสองพันห้าร้อยี่สิบสามอำเภอนายุงมันขึ้นต่ออำเภอน้ำโสมเป็นอำเภอที่เป็นแหล่งจุดนี่เป็นจุดที่ป่าดงพงไัยที่สุดของเมืองอุดรแต่เป็นถิ่นที่มีภูเขามากของเมืองอุดร ตะกอนมันขึ้นจังหวัดน้องบัวลำพูน้องบัวลำพูก็เป็นของเมืองอุดรเหมือนกันแต่ทีศนั้นก็เป็นภูเขาแต่เดี๋ยวนี้มันแถบนั้นมันเป็นขึ้นต่อจังหวัดน้องบัวลำพูทั้งหมดเพราะนั้นอุดรจึงถือว่าแถวแถบนี้แนหะแถบอำเภอนายูงมาขึ้นมาทางนี้แนหะเป็นอำเภอที่เป็นภูผาป่าไม้เยอะเป็นมีภูเขาเยอะ แต่เลยขึ้นไปจากนี้ไปเขาเรียกว่าบ้านคีรีวงกตนะเลยจากผูกก้อนกันไปไปบ้านเพิ่มแล้วก็เป็นบ้านอยู่หุบเขาเขาตั้งชื่อว่าบ้านคีรีวงกตตะกอนเขบ้านอยู่หุบเขาตะกอนเท็่จะไปถึงบ้านนี้ได้โอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันแต่เป็นคนจังหวัดเลยนะมาอยู่ในหุบเขาเขากเก่งของเขานะ เขาไม่อยู่ในหุบเขาเขาเอาหมู่พเพื่อนมาตั้งกลุ่มรักษาแต่สมัยนั้นของก่าจะอยู่ได้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะนักเลงโจรผู้ร้ายเยอะแต่เขาก็พอหมู่พอกลุ่มของเขาต่อต้านยืนหยัดอยู่ได้หลวงพ่อเขาไปไปอยู่ของเขาเขาก็ดีดีมากๆเนี่ยหลวงพ่อตั้งชื่อว่า สวิตเซแลนแดนอุดรสวิตเซเลนแดนอุดรมันอยู่ในหุบเขาเดู ด, ดูโอ้อากาศเย็นขนาดของเราขนาดนี้ขนาดนั้นตรงนั้นเย็นกว่าแล้วก็แปลกเหมือนกันนะ ต, ตรงนั้นมันเป็นวัดเก่าแก่ทั้งสองวัดไม่รู้สมัยไหนก็ไม่รู้ คงจะเป็นสมัยเมื่อหกร้อยปีให้หลังมั้งที่ว่าเจ้าชายเสดทานะคงจะยุคสมัยนั้นเจ้าชสยเสดทาเนี่ยเราก็พูดเป็นประวัติศาสตร์ใช่ไหมละ่ะเจ้าชสยเสดทานเป็นคนเชียงใหม่แล้วก็มาแต่งงานกับเจ้าเวียงจันท์เจ้าเวียงจันท์ไม่มีลูกชายมีลูกสาวก็เลยเจ้าเชียงใหม่มาแต่งงาน กับเจ้าเวียงจันทร์สมัยนั้นเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดในระหว่างเชียงใหม่กับเวียงจันทร์ไม่มีการสู้รบสงครามกันสมัยนั้นเจ้าไซเซธา ก, ก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็มาสร้างวัดในถิ่นแถบนี้นทั้งหมดเลยแถวบ้านน้ําโสมแถวเนี่ยน้ำตกยุงทองเนี่ยที่หลวงพ่อไปภาวนาน่ย อยู่ในถ้ำก็ไม่ได้ไม่คาดไม่คิดว่าจะมีพระพุทธรูปไม่คาดไม่คิดว่าจะมีบาทนะบาทบักย่อยขนาดเนี่ยใหญ่กว่าของหลวงพ่อสักสองเท่ า, า่นี่แหละอันนี้ก็คือวัดเจ้าชัยเสษฐาสงสัยสมัยนั้ น, น, นบ้านกิรีวงกฏนั่นก็ใช่เป็นวัดอยู่สองแห่ง หลวงพ่อไปเห็นต้นมะม่วงมะม่วงป่านะี่ใหญ่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีพระพุทธรูปพระพุทธรูปก็เป็นพระพุทธรูปที่พระพุทธรูปปางเบียงจันนะ่แหละแต่เขาทำสวยนะสวยงามพระพุทธรูปองค์เล็กๆเขาขุดได้พอรุ่นหลังลูกหลานเนี่ยเห็นท้าวรวัตถุอยู่ที่ไหนเห็น เป็นจอมปลวกมีอิดก้อนหินก้อนนั่นแหลนะไปขโมยขุดของเขาขุดค้นหาวัตถุโบราณอันนี้คือในทิน่นี้ในวัดของเราเนี่ยถ้าหากว่าเราสังเกตดูอยู่ในวัดของเราเนี่ยมันมีฟ่วงหินนะลูกหลานนะมันมีไอ้องพวกอค ง, งแตก พวกองแต ก, กแตกพวกหาแตกพวกเนี่ยแะแต่เป็นกระเบื้องดินเผาคนโบราณของเขาสมัยนั้นก็ไม่ใช่ย่อยธรรมดาเหมือนกันนะมีเป็นกระเบื้องอแตกในวัดของเราเปัดกวาดไปจะเห็นโผล่ขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้ น, น, นแสดงว่าคนโบราณมาอยู่ก่อนพวกเราแล้วนะามาอยู่ก่อนพวกเราแล้วไม่ใช่วพวกเราเข้ามาแล ที่นี้เป็นที่แรกไม่ใช่นะเห็นต้นไม้ใหญ่บเบล้อปล่าเนี่ยจะแสดงว่าเขามาอยู่ก่อนพวกเราเขาปราบลงพอแรงแล้ว่พวกเราเข้ามาชูที่หลังเหมือนกับมันเป็นที่ใหม่มันไม่ใช่คนโบราณเขาอยู่ก่อนแล้วมันมีเฝื่องหายเฝื่องดินเผาตกหล่นเกลื่อนไปหมดในวัดของเราเนี่ยแล้วก็นาคําน้อยของเราเนี่ย อยู่ทางซ้ายมือของหลวงพ่อนะเป็นหลุมเหมือนกับบอ่อน้ำอย่างนั้นลักษณะเหมือนกับบอ่อน้ําใหญ่ๆหญ่แต่เขาทำทำไมเป็นหลุมเป็นหลุมไปคนโบราณเขาว่าเขาขุดทองนะเียว่าบ้านนาคําใหญ่บ้านนาคำบ้านนาคำเนี่ยคำก็ ค, ำคือทองนะทองคำนะํำแต่เขาไม่เรียกว่าทองเขาเรียกว่าคําคำเขาว่าคําแปลรู้จักกันเลยละ่ะ แปลว่าทองคํำแล้วก็มาขุดแล้วก็ล่อนนะล่อนลงลํารางของเราเนี่ยขุดลงไปในดินแล้วก็ได้ทรายขึ้นมาแล้วก็ลงมาก็ล่อนอนะเนี่ยล่อนล่อนทองแล้วก็มีทองบางคนก็โชคดีไปบางคนก็เอาได้ไปแต่ครับไม่เคยเขาว่าคําว่าไม่มีไม่เคยมีอยู่แต่บางคนก็ได้ดมากบางคนก็ได้ดน้อย แต่ถ้าว่าจะทํานี่ทุกวันนี้เขาบอกว่าเศรษฐกิจอย่างนี้อวันละสองสามร้อยบาทเนี่ยไม่คุ้มค่าครับมันเลยน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ทำํำแต่ตามไม่ยริงมีนะทองคํานะลูกหลาหนนะแถวนี้มันเป็นสายแร่สายแร่ทองคำนี่แหละในท้องถิ่นท้องถิ่นอำเภอนายยงแล้วอํเาเภอนาด้วงเนะ่ย บ้านนานด่วงอําเภอบ้านผืออันนี้เป็นแร่ทองคำขาวสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์เน่ยเขามาขุดเอาอมาสำรวจเขาบอกว่ามีแร่ทองคำขาวอยู่ที่บ้านคำร่วงนี่แหละซับในดินสินในน้ำมันมีอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยแลววันนี้เป็นวันที่สิบหก ตุลาคมพุทธศักราช2555วันนี้เมื่อวานเป็นวันพระจากนี้ไปอีกวันที่30ตุลาเป็นวันออกพรรษานะคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานล้วจะพร้อมกันวันที่4ออกพรรษา3 4 5วันตรงกับวันอาทิตย์วันที่4พจิจิกายนเป็นวันทอดกระถินวัดของเรา เป็นวันทาบุญทาทานงานประจําปีแต่ทิงยังไงการทอดกระินหลวงพ่อก็ไม่ได้ถือว่าจําเป็นสำคัญแต่วันปีหนึ่งหนึ่งก็ควรจะให้ผ่านผ่านไปเพราะนั้นหลวงพ่อเองเขาไม่เคยที่จะมีใบซองดีกงดีกาในวัดของเราไม่มีแต่ถ้าว่าเขาจะทําในวงญาติของเขา สูมื่อว่าเอาทหารหรือว่าตำรวจเรือส่วนราชการพ่อค้าห้างสปปรรพสินค้าเขาจะทํามาทอดกรถินผมขอพิมพ์ซองแจกในกลุ่มของผมได้ไหมหลวงพ่อเขาไม่ขัดข้องพอในกลุ่มของพวกเราแต่จะให้เอามาให้หลวงพ่อเป็นคนแจกซองหนะลวงพ่อไม่แจกก็ไม่เอาไม่ถือว่าสําคัญถึงขนาดนั้น แต่จะตุปัจัยที่ได้มากก็เออเอาได้มากก็ดีเพราเราจะได้ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์โรงเรียนโรงพยาบาลสงเคราะห์วัดวาศาสนาสร้างพระเจดี ม, มีสิ่งที่จะก่อสร้างแต่ในวัดของเราก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่หนักหน า, นาเพราะว่าวัดของเราได้ขนาดนี้ก็พอแล้วละ่ะเราจะไปทำหรูหราโออากว่านี้ก็เกินกว่าพระกรรมฐาน อูขนาดนี้ก็พอแล้วนะหลวงพ่อก็รู้จักเมืองพอเหมือนกันนะลูกหลานนะถ้าใครก็ตามถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ที่ใดมีความสบายทั้งหมดขั้นทําให้รู้จักเมืองพอ่ะมันหิวอยู่ตลอดเวลาอยากอยากอยู่ตลอดเวลามันทุกข์นะแต่ว่าถ้าอยากอยากจะทําคุณงามความดีอยากจะได้บุญอยากจะได้บุญมากๆคือธรรมดา สัญชาตญาณของมนุษย์ของเราก็อย่างว่าเหมือนกันนะใครๆก็อยากจะได้บุญมากใครๆก็อยากจะรวยอยากจะสวยอยากจะงามอยากจะมีความสุขไม่ว่ายุคนั้นสมัยนี้ไม่ว่ายุคโบราณไม่ว่ายุคปัจจุบันคนโบราณเขากนใครๆจะทำอะไรก็อยากจะให้เป็นผลบวกถ้าทำมาค้าขายก็อยากจะให้เป็นผลบวก ลงทุนได้น้อยอยากจะได้ได้ผลมากปลูกข้าวน้อ ย, อยก็ยากจะได้ข้าวมากๆอยากจะทำบุญน้อยๆก็อยากจะได้บุญมากๆจะทำยังไงจึงจะได้อย่างนั้นเขาก็คิดกันยังมีนิทานชาดกหลวงพ่อสอนเรื่อบอกกล่าวในโดยมากหลวงพ่อจะสอนเป็นชาดกเพื่อให้ลูกหลานได้จาง่ายพิธีการทำบุญ จะทํำยังไงจึงจะได้บุญมากวิธีการทําบุญคนวารานเขาทาอย่างไรนะ น, นี่ยอนินามาในพระไตรปิฎกนะท่านบอกว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าโกรบแล้วก็มีอมมาตคู่ใจชื่อว่ า, าวิชื่อวิทูนวิฑูลอมมาศนะแต่พระเจ้าโกรบเนี่เป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีมจิตใจ ทำบุญสุนทานมีเมตตาต่อพระศพในกออย่างมากถ้าได้เงินมานี่ก็เอาเงินดิมเงินเดือนก็แบ่งตามสถานะถ้าคนยากคนจนมากกว่านั้นพระเจ้ากรพบนี่ก็ตั้งโรงทานขึ้นมาในสี่มุมเมืองแล้วก็กลางเมืองอีกแห่งหนึ่งเวลาคนมาจากทิศทั้งสี่ก็จัดอาหารให้ เพื่อไม่ให้คนอดคนอยากถท่ามันไม่มีเงินเดือนกินจริงๆอย่างน้อยก็ได้ทานอาหารคงจะเป็นคูปองลักษณะอย่างนั้นก็มั่งนะแต่นี้ก็การทำทานของพญาโกรพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยทำโดยสม่ำเสมอแต่ตัวเองก็ไม่สนิทใจเหมือนกันเอเราทำบุญอย่างเนี้ยจะได้บุญมากหรือเปล่านะ พอไปสืบสืบสอบสอบดูไอ้คนที่มาที่มารับทานนั่นน่ะไม่มีศีลห้าศีลห้าไม่มีเอแปลว่าศีลและธรรมไม่มีเอเหมือนเหมือนกับเราทําบุญทําทานไปอนักเลงขโมยโพยโจรไปลักษณะอย่างนั้นหาคนดีได้ยากก็เลยเรียกอมามรทวิทูลมาเลยทวีทูลอมรปโลหิตตายจานเป็นผู้มีสติปัญญา ก็เลยมาถามว่าเอพิทูล อ, อามาตปุโรหิตข้าพเจ้าคิดว่าเนี่ยข้าพเจ้าทำบุญเนี่ยจะได้บุญหรือเปล่าเพราะทำบุญให้กับคนที่มารับทานเนี่ยโดยมากมิแต่หิวโหวยม่แต่อยากอย่างเดียวถ้าเราให้อะไรก็คงไม่เพียงพอให้กับคนอยากคนโลภเนี่ยข้าพเจ้าคิดว่าคงจะได้บุญน้อย เพราะเขาศีลห้าเขาก็ไม่มีสมัยนั้นคือศีลห้านะเป็นศีลประจำโลกเนี่ยเป็นศีลประจำมนุษย์โลกสมัยนั้นเป็นศีลของฤาษีชีภัยเป็นศีลของคนดีระดับสูงเขาต้องรู้จักก่าศีลห้าคืออะไรไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์เคารพสิทธิในสามีภรรยาคนอื่นเขาไม่โกหกไม่ดื่มของเหมือนเมา อันนี้คือศีลห้าเนี่ยเป็นศีลประจําโลกมาตั้งแต่ดึกตําบันแต่คนยุคนั้นสมัยนั้นมองดูแล้วไม่มีศีลห้าคนที่มีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์เนี่ะมันไม่มีมองดูแล้วถ้าเราจะทําบุญกับคนไม่มีศีลเนี่ยจะได้บุญอยู่เลอเนี่ยปรยาโกลบคิดหนักนะทีนี้ก็เลยไปเรียกอํามาตะเข้ามาโปโลหิตตายจานเข้ามาปรึกษากันมีไหมคนที่มีศีลธรรมในเมืองของเราเดี๋ยวนี้มีไหม ถ้ามีขอให้คัดสรรเข้ามาใชผมอยากจะทำบุญกับผู้มีสินทางปโรหิตก็ตอบว่ามันมีอยู่ชื่อว่าพรามาคำว่าพรามคำนี้มีอยู่แต่มันไม่มีสินาคาว่าพรามเป็นผู้มีสินแต่อันนี้พรามมีแต่ชื่ อ, อไม่มีสินคำว่าพรามคานี้คือเพื่อเป็นผู้ทรมาค้าขายเป็นผู้รรมาหาเลี้ยงชีพ มันมีหลายเหลือเกินถ้าผมไล่เรียงเข้ามาถึงสิบนี่สิบพราหมณ์นะนะมีสิบอาชีพพวกที่ทําตนเป็นพราหมณ์เป็นพราหมณ์ส่วนหนึ่งก่นัน่นแหละเป็นพวกจดาะเคราะห์หมอดูหมอเดาหมอดูเลิกดูยาำแล้วก็หมอธรรมมาค้าขายแล้วก็หมอค่าสัตว์บูชายันมันมีมากเหลือเกินแต่ดูดูแล้ว ผู้ที่จะทรงศีลทรงธรรมจริงๆมันไม่มีครับจะให้ผมหาหาไม่ได้ในเมืองเนี่ยทางพระเจ้าโกลบเขบอกเอา้าถ้าหาไม่ได้ในเมืองเนี่ยหาที่อื่นได้ไหมผมอยากจะทำบุญกับผู้มีศีลผู้ทรงศีลเพราะว่าการทำบุญผู้ทรงศีลผู้มีศีล น, นั้นถึงจะวานพืชลงในเนื้อนาหน่อยนึงผล ขายายผลกับผลก็จะงอกเงยงามขึ้นมาได้ผลเม็ดเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่นี่เราทานกับผู้ไม่มีศีลเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าอเนสงเหล่านั้นบุญเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมาได้ให้อาจารย์หาด้ยซีว่ามีไหมทั้งนอกเมืองก็เถอะไกลขนาดไหนก็นเถอะก็ขอให้บอกผมจะส่งคนไปเชิญมานี่มนมามารับทาน ผมอยากจะทำบุญกับผู้ทรงศีลจะได้บุญบุญมากนะทั้งอามาตนี่ก็คิดหนักนะท่านก็เคยอ่านตำรับตำรามาก่อนท่านก็รู้ว่าพระประเจกพุทธเจ้าเนะี่ยอยู่ในนู่นอยู่ในป่าหิมพานนะที่มูเขาผู้เขานันทมูลละกะเป็นกลุ่มของพระประเจกอยู่ตามลำพังจะไม่มายุ่งยีเกี่ยวกับมนุษย์ หน้าไหนคนไหนทั้งหมดแต่พระ อ, องค์พระประเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นท่านมีญ า, าณทัศนะท่านมีฌานแต่ถ้าว่าท่านจะมองไปเนี่ยท่านจะมองดูว่าใครที่เป็นญาติมาก่อนใครจะทําบุญพระประเจกจะเหาะหายปับ๊บไปแล้วก็ไปบิณฑบาตกับคนกลุ่มนั้นศักนั้นก็มาเอามาเลี้ยงท่านก็ไม่ได้ใส่ใจว่ากินอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้าง ท่านไม่ได้ใส่ใจเรื่อง อ, งอาหารอยู่แล้วท่านหมดกิเลสแล้วเนี่ยท่านไม่ทุกข์กับอะไรเรื่องอะไรทั้งหมดอยู่แล้วแต่อยู่ในกลุ่มของท่านอ่าเป็นสี่ห้าร้อยอยู่ที่เขานันทมูละกะกาพระประเจกอยู่ตามกลุ่มของท่านเองแต่นี้ตามประวัติศาสตร์เออปโลหิตตายจานันทรท่านนี้ท่านก็รู้ว่านั่นน่ยมันมีมีอยู่ในโลกเนี่ยผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอยู่ ตอนนี้โปรหิตเนี่เยเคบอกว่าถ้าอยากจะให้ข่าพระองค์นิมนต์หรือว่าเชิญผู้ที่มีศีลมารับบริจาคมารับทานปฏิฆาหกผู้มารับเนี่ยทายกก็คือพวกเราปฏิคาหกกระพุ่ที่มารับทายธรรมของพวกเราถ้าหาว่าอยากจะให้ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ทรงศีลมารับเนี่ยขอให้พวกเราเป็นผู้ ทำความสะอาดพนาคอ์ซะก่อนปัดก่านทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นประกาศให้ทุกคนมีสินห้าก่อนสินลห้าคือสินของพราหมณ์ตั้งแต่ดึกดำบันเดี๋ยวนี้พวกเราปล่อยปะ่ะล่าเลยจนเกินไปมั่วไปหมดขอให้พวกเรามีสินซะก่อนผมจึงกราบรระราธนาพระหรือว่าฤาษีผู้ทรงสินมารับไถยธรรมจึงจะได้แต่พวกเราไม่มีศินอยู่อย่างนี้ ผมอลาธนาไม่ได้หรอกครับผมไปเจ้าโกลบอื้อออ้าวถ้าอย่างัานปฏิบัติตามให้ถ้าอาจารย์มั่นใจให้จากนั้นก็ประ ก, กาศให้คนทําความสะอาดพระนครจากนั้นให้ประ ก, กาศให้คนมีศีลห้าหทุกคนมีศีลห้าให้รักษาศีลห้าพอคนทั้งหลายรักษาศีลห้าเท่านั้นอ่ะอามาตย์คนนี้ก็กลาบไปทางทิศเหนือของประเทศ กราบประลัพนามีดอกไม้อยู่ในขันถ้าว่าพระประเจกพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงฤทธิ์ทรงเดชจริงข้าพเจ้าขอกราบกราบประลัพนามาให้พวกพี่น้องประชาชนมีพระเจ้าแผ่นดินเป็นประมุขจะได้ทําบุญทําทานเพราะมีเจตนามุ่งมั่นเหลือเกินที่จะจะทําบุญกับผู้ทรงศิลพอเสร็จแล้วก็สักเคเทพเจ้าเหล่าเทวานะ อย่าจากนั้นก็ยกขันดอกไม้ขึ้นบนในอากาศขันดอกไม้เนี่ยก็ลอยเล ย, ยงั้นนะลอยไปในอากาศไปไปถึงพระประเจกพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าโอ้มันเรื่องอะไรเพราะพระประเจกท่านมีญานะทศนะท่านมีฌานใะช่แล้วท่านโอ้พระเจ้ากโกรบเนะ่ยกับบริวารอยากจะทําบุญกับผู้ทรงศีลเอาพวกเราทั้งหลายทั้งห้าร้อยพระประเจกหนะ้าร้อยเนะี่ยไปไปรับ ทานในวันลุ่งขึ้นจากนั้นท่านก็ไปสงน้ำในสะอโนดาดจำรักกายตามลำพังท่า น, นก็อยู่ตามลำพังพระประเจกจากนั้นท่านก็เหาะมาทางอากาศมาลงแล้วก็เข้าไปรับปินฑบาตพระทั้งสงทั้งห้าร้อยพระประเจกพุทธเจ้าห0 0อยจากนั้นพระเจ้าโกลบกับบริวารทั้งหลายทั้งปวงได้ทําบุญขอกาพระราชนาถึงเจวัน ทำบุญกับพระปเจกพุทธเจ้าจากนั้นพระปเจกพุทธเจ้าแล้วก็ถวายอัตบบริขารครบทุกองจากนั้นพระปเจกพุทธเจ้าก็หายปับ๊บนี่แหละพระพุทธองค์ท่านบอกว่าคนไม่ว่ายุคใดสมัยใดการทำบุญกขอยากจะได้บุญมากเจ้าจะทำกับผู้ทรงศีลสมัยนั้นหาผู้ทรงศีลไม่ได้จนได้ถึงกับ การภาลตนาพระปริเจกพุทธเจ้ามารับทานแต่พิทูลอามาตท่านมีความสามารถการภาลตนาพระปริเจกพุทธเจ้าได้ในชาตินั้นพระเจ้า ก, กรพคือพระอานนท์พระพุทธเจ้าท่านนในชาตินั้นเฉวยพระชาติชาตินั้นพระเจ้า ก, กรพคือพระอานนท์พิทูลอามาตก็คือเราตถาคตเนี่ย เป็นอมาตของของพระเจ้าโกรบเนี่แหละอันนี้ก็คือยุคไหนสมัยไหนถ้าจะว่าไปแล้วคนเราเนี่ยอยากจะทำอะไรอยากจะทำน้อยอยากทำมาค้าขายลงทุนน้อยแต่อยากจะได้กําไรมากอันนี้เป็นฐาสันชาติยานของมนุษยชาติไม่ว่ายุคไหนสมัยใดจะัยไห น, ไหนอันนี้การทำบุญของพวกเราก็เหมือนกัน แต่ถึงยังไงการทำบุญทำทานนั้นส่วนหนึ่งเป็นการเสียสละมาเกี่ยวกับผู้อื่นแต่ว่าการทำบุญกับตัวเองแล้วว่าตัวเองทาบุญจุดนี้น่มันทำยากแต่อันนี้สงฆ์มหาศาลในลหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านตรัสไว้ว่าให้ทานร้อยครั้งสู่รักษาสินครั้งหนึ่งไม่ได้รักษาสินบริสุทธิ์ร้อยครั้ง สู้นั่งภาวานาจิตสงบจิตใจสงบครั้งหนึ่งไม่ได้บุญกุศลทวีคูณเพราะฉะนั้นพวกเรารู้แล้วว่าในธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้หนึ่งไม่มีสองท่านตรัสไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราควรจะเออเรื่องทําทานก็ใช่อเ น, นสง์ของทานคืออะไรอเ น, นสง์ของศีลคืออะไรอเ น, นสง์ของภาวานานี่ยคืออะไรอเ น, นสง์ของทาน เกิดมาพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากเพราะอ น, นิสงสานคุ้มครองไปนักสถานที่ใดไม่น่าจะราบรื่องก็าราบรื่นเพราะอ น, นิสงสานให้ผลไม่น่าจะมีของอยู่ของกินก็มีของอยู่ของกินให้อยู่ให้กินได้สะดวกสบายเพราะเหตุไรเพราะอ น, นิสงสานของเรามีอย่างพระศิวผลีอย่างนี้ท่านทาบุญกับพ่ะประเจกและตั้งความปรารถนาอีก ขอให้ข้าพเจ้าเกิดในภพใดชาติใดหรือชาติสุดท้ายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไปนสถานที่ใดก็เหมือนกับพระเถระที่มีอติเลกาลาบมากอย่างที่พระพุทธเจ้าปทุมุตระนี่ด้วยเทินเพราะฉะนั้นมาในสาสนาของพระพุทธเจ้าเมื่อท่านได้เป็นพระอรหันต์ท่านไปนสถานที่ใดมนุษย์ไม่ทําบุญเทวดาก็ทําบุญอทางว่าไม่ทําบุญไม่ได้ เทวดาษเหล่านั้นต้องดูตลอดเพราะวะนั้นพระศรีวลีไปนัสถานที่ใดเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนบริวารของพระศิีวลีจะไม่อดไม่อยากเพราะเหตุไรเพราะอนสงนการทําบุญทำทานอเนสงทานของพระศรีวลีถวายต่อพระพุทธเจ้าพระธุมตระและก็ตั้งความปรารถนาด้วยนี่แหละอนสงทานไปนัสถานที่ใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากเพราะอเนสงทานคุ้มครอง อ น, นี้สงสีนคุ้มครองเราไปอยู่ในสถานที่ใดเกิดในภพภูมิใดไปอยู่ในสถานที่ใดปลอดภัยทั้งนั้นไม่มีใครคิดจะฆ่าเราไม่ใครม่มีใครคิดจะขโมยเราไม่มีใครคิดจะล่วงเกินสามีภรรยาลูกหลานของเราไม่มีใครจะโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงเร า, เาแล้วก็คนทั้งหลายเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรา เป็นผู้มีสติปัญญาเข้ามาแนะนำอบรมสั่งสอนจะไม่ไม่มีคนบ้าคนเสียจิตเข้ามาเกกะละลานเพราะอนิสงของเราอนิสงศีลของเราคุ้มครองไปอยู่ณสถานที่ใดก็ร่มเย็นเป็นสุขทั้งที่เราไปอยู่ทั้งที่ไม่ปลอดภยัยแต่ว่าเข้าไปอยู่แล้วไม่มีอะไรอนิสงศีลของเราเขาเราไม่เคยคิดฆ่าใคร เราไม่เคยคิดเปลี่ยดเปียนใครนี่แหละไปเห็นใครใครเห็นก็มีแต่ความเมตตามีแต่ความมาช่วยเหลืออนุสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์เราอันนี้อันนี้สงสีนคุ้มของแต่อันนี้สงภาวนาภาวนาคือเป็นสัมมาทิฏฐิไปอยู่นสถานที่ใดเราคิดไปที่ไหนยังไงไม่เบียดเบีย น, ยนตนและผู้อื่นล้วนแล้วแต่เป็นสัมมาทิฏฐิคิดไปในทางที่ถูกต้องในเมื่อคิดถูกต้องแล้วการการะทําก็ถูกต้อง การพูดก็ถูกต้องไม่เห็นอะไรเพราะใจของเราตั้งไว้ดีแล้วใจของเราเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าใจของเราเป็นมิจฉาทิฐิอคิดผิดเมื่อคิดผิดมีแต่โลภโมโหโกธาโลภอยากจะได้ของเขาพยาบาทปองร้เขาเห็นผิดอยากทำรองของธรรมเห็นดำเป็นขาวเห็นขาวเป็นดำเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีเห็นสิ่งที่มันจะดีเห็นตรงข้ามไปหมด อันนี้เราบอกมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดนะถ้าคนมีความเห็นผิดอย่างนั้นอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเรื่องมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิเนี่ยถ้าสัมมาทิฏฐิอยู่นํากับผู้ใดผู้นั้นมีจะความเจริญเพราะฉะนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าให้ทานอนิสงฆ์ทานเป็นยังไงจะทํำยังไงจึงจะมีผลมีผลานิสงฆ์มาก อันนี้สงสีนคน man, ืออะไรและอันนี้สงแห่งการภาวนานี่ยคืออะไรอันนี้สงภาวนาคือให้มีสติสัมปชัญญะให้มีสติอยู่กับตัวเองให้มีสัมปชัญญะให้รู้สึกว่าข้าทําอะไรข้าทําถูกหรือข้าทําผิดข้าพูดผิดหรือข้าพูดถูกข้าคิดผิดหรือข้าคิดถูกเนี่ยอมีสติอยู่กับตัวเองถ้าคนมีสติอยู่กับตัวเองนะอยู่นสถานที่ใด ไปณสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นผ้าสุขเพราะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ำำามีหลายแง่หลายมุมหลายชั้นเชิงหลายเล่เหลี่ยมเพราะฉนั้นพวกเราต้องศึกษาไม่ใช่ ว, ว, ว่ามีปริญญาเอกคะแนงใดคะแ น, นงหนึ่งจะเป็นวิชาที่เลิศประเสริฐไม่ใช่นะวิชาของพระพุทธศาสนาเรียนเรื่องวิชาของใจทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดในหลักของ พ, พุทธศาสนา แต่วิชาทาั้งโลกนะวิชาตะคุบเรียนออกไปคนหนึ่งคิดใดหนึ่งคนหนึ่งคิดใดคิดแล้วก็เขียนวาดภาพออกมาแล้วก็ตะคุบเงาเรียนวิชานั้นวิชานิสังคมชาสตรมนุษยศาสตร์เศรษฐศาสตร์กฎหมายเนี่ยพบคนหนต่างๆคนต่างคิดขึ้นมาแล้วก็ต่างคนต่างเรียนเรียนความคิดของคนนั้นเรียนความคิดของคนนี้เน่ยแต่ว่าถึงยังไงต้องมีหลักเหตุผลในการในเรื่องความคิดนั้น แต่หลักของพุทธศาสนาท่านเรียนเข้ามาถึงใจทำไมใจจึงคิดใจของเราไม่ีอะไรถ้าใจของเรามีกิเลสมีความโลภเราเขียนออกไปมันกอนลักษณะมีชั่นเชิงในความโลภถ้าเราไม่พอใจในใจเราเขียนออกไปตามหลักวิชาการสู้รบตบศึกก็มีแต่จะฆ่าเขาอย่างเดียวฮะมันออกไปจากใจเล่นั้นพระพุทธเจ้าท่านหนึ่งให้มองดูใจตัวต้นเหตุของเรื่องทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่ใจ ให้ชำระใจนี่แหละตัวนั่นะตัวการใหญ่อยู่ที่ใจนี่จังหวามนโนปุพังขามาธรรมามนโนเสรษฐามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจให้มองใจนะให้ตรวจตราดูที่ใจนะอันนั้นเรื่องทั้งหลายทั้งปวงภายนอกมนันตะคุบมันไล่ตะคุบเงาเฉยแต่ตัวใหญ่ตัวการจริงๆคือใจท่จานเยบอกดูใจ ถ้าเรียนเรื่องของใจจบแล้วทธนว่า น, นั่นแหละอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาเนี่ยผู้ไม่ต้องศึกษาคือเรียนเรียนเรื่องของใจจบแล้วคืออาเสขะพระอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาพระเสขาอย่างต้องศึกษาต้องศึกษาต้องเรียนรู้เรื่องต่างๆเนี่ยว่าพระเสขะอย่างพระอรหันเนี่ยพระอรหันทั้งหลายทั้งปวงเนี่พพ ย, ย พ, ร พ, พระเจชิกพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเนี่ย อันนี้ท่านว่าเป็นพระอเสขาจบในการศึกษาแต่ถ้านอกจากนั้นแล้วจึงจะเรียนปริญญาเอกกี่ร้อยกี่พันใบนะก็ยังไม่จบยังเป็นเสขะอยู่ยังยังต้องศึกษาศึกษาเรื่องนั้นศึกษาเรื่องนี้ศึกษาเรื่องศึกษาตะคุบเงาไปเรื่อยนะแต่ว่าถ้าผู้ที่เรียนจบแล้วคือเรียนของมาหาใจเรียนรู้เรื่องของใจใจนึกคิดเรื่องอะไระอย่างลูกพ่อเปรียบเทียบ ถ้าว่าเราเรียนทางนอกเหมือนกับเรามีไฟฉายก็บอกหนึ่งพอกระบอกกั้งคื้นมาเราส่องไปนี่ไปเห็นนกกระรังที่มันร้องเนีเแล้วก็ไปมองนกกระรังเ่ยมันออร้องยังไงมันทําไมจึงร้องเปี่ศึกษาเรื่องนกกระรังเนี่ ย, ยอพอไปถึงน้ําลําลำลางก็ไปเห็นปลาอีกเอาปลามันมีกี่ชนิดก็ไปศึกษาเรื่องของปลาต่อไปก็ไปเห็นลิงอีกก็ไปศึกษาเรื่องของลิงอีกพอแสงสว่างมันส่องไปเนี่ เออมันสองออกจากไฟฉายนะมันจะไปเห็นเรื่องต่างๆไไปได้ยินเสียงหมาเหา่าศึกษาเรื่องมันเห่าอะไรหมาเอย่างนี้แหละแต่ถ้าว่าอยากจะรู้เรื่องของตัวเองมองเข้ามาหาหัวเทียนไฟฉายพอมองเข้าไปดับตับเรื่องทั้งหลายออกไปจากที่นี่ออกไปจากใจนี่เรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจถ้ารู้เรื่องของใจนั่นแหละเป็ว่าจบรอบหมดทุกอย่างเลย เป็นว่าอาเสค่ะผู้ไม่ต้องศึกษาเรื่องทางนอกอีกแล้วนะนี่แหละห ล, ะละักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะตอนนี้ไปรับพร